จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านนะใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยไม่เคยฟังซีดีไม่เคยคือถ้าไม่เคยฟังเลยเนะี่ยฟังครั้งแรกบางทีจะรู้สึกว่ายากยากเพราะว่าไม่เคยฟังเท่านั้นแหละจริงไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวของเราเอง การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกนะเอย่าไปวาดภาพมันจะน่ากลัวการปฏิบัติธรรมจริงๆมันแค่การเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเองนี่เองเรียนรู้จนกระทั่งเรารู้ความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์นะใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ความจริงได้ถึงขั้นนี้เนี่ยใจมันจะสลัดความยึดถือจะสลายความยึดถือกายยึดถือใจ กายกับใจเรานี่เป็นสิ่งที่เรายึดมากที่สุดนะว่าเป็นตัวเราของเรากระทั่งกายนี้ใจนี้ไม่ยึดเนี่ยจะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วถ้าเมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งใดเนี่ยความทุกข์จะเข้ามาถึงใจเราไม่ได้เลยความทุกข์เนี่ยเข้ามาถึงใจเราได้เพราะใจเราเที่ยวไปยึดสิ่งต่างๆงั้นสมัยก่อนนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อพุทธทาสพวกเราจาท่านได้ไหมท่านชอบสอนว่า สัพเพธรรมานาลังอภิเิเวสายะนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยทำทั้งป่วงไม่ควรยึดมั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดได้ก็ไม่ทุกข์ก็เท่านั้นเองแต่ว่าพูดแต่ปากเนี่ยมันทาไม่ได้นะเราบอกว่าเราไม่ยึดเราไม่ยึดสุดท้ายก็ยึดนี่ต้องมาเรียนวิธีการวิธีการที่เราจะทำให้เราหมดความยึดถือกายยึดถือใจนี้วิธีการอันนี้แหละเรียกว่า การเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐา น, นไม่ใช่เรื่องยากอะไระไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าเราเห็นแจ้งเมื่อไหร่นะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จริงๆจิตหมดความยึดถือในกายในใจนะจิตมันจะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งเป็นสภาวะธรรมที่ประณีตะสะอาดหมดจดมีความสุขอันมหาศาลเรียกว่านิพาน นิพพานไม่ใช่โลกอุดมคตินะไม่ใช่สิ่ที่อุดมคติยูโทเปียอะไรซึ่งหาตัวจริงไม่เจอไม่ใช่นิพพานมีสภาวะธรรมมีจริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี้แหละเป็นสภาวะที่บรมสุขมีสภาวะที่สันตินะลักษณะของนิพพานคือสันติแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่สันติใจของเรามันฟุ้งซ่านใจของเรามันวุ่นวายเต็มไปด้วยความอยากนานาชนิด ใจของเราก็เลยไม่มีคุณภาพนะที่จะเห็นสภาวะธรรมที่ประณีตคือพนันธิพาณได้ถ้าเราค่อยๆเรียนค่อยๆฟังนะแล้วก็วันหนึ่งเราก็เข้าไปใกล้พันิพานมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดหนึ่งก็คงอยากสัมผัส พ, พนันธิพานได้ด้วยใจของเราเองไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาจะทําได้ถ้าถ้ารู้วิธีนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทําให้สมควรจะทํา ถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยชีวิตเรานะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยากนะดิ้นรนตลอดเวลานะเพื่ออะไรดิ้นรนหนีความทุกข์นะดิ้นรนหาความสุขนั่นแหละตั้งแต่เล็กจนโตนะทุกวันนี้ที่ต้องมาทํามากินต้องทําอะไรต่ออะไรนะเป็นนักศึกษาต้องเรียนเป็นผู้ใหญ่ต้องทํางานอนะไรเนะี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษานะอะไรเนีก็ทำไปเพื่อว่าจะหนีความทุกข์เพื่อจะหาความสุขใส่ตัวเองเท่านั้นเลย ถ้าเราหาความสุขเราหนีความทุกข์มาตั้งแต่เด็กสุดท้ายเราก็จะหาความสุขที่เต็มอิ่มไม่ได้พวกเรารู้สึกไหมความสุขที่เราเจอเนี่ยไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มเยไม่พอในขณะที่ความทุกขนะ์น่ะตามเรามาอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหิวข้าวเรากินข้าวไปหนีความทุกข์ไปได้ชั่วคราวไปเดียวเดียวนะก็หิวอีกละไม่นานไม่กี่ชั่วโมงความทุกข์ตามมาอีกละ ในร่างกายเรา น, นี่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่มันตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเรานะมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามเข้ามาบีบคั้นใจของเรา ใ, น ใ, นใจของเราร่างกายเราก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจเราก็มีความอยากนะมีเกิดขึ้นตลอดเวลาความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทีนั้ น, นเรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ตลอดกาล คนที่ไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็จําเป็นอยู่ดีที่จะต้องจมอยู่ในความทุกข์แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องขวนขวายไม่นิ่งนอนใจเรื่องอะไรเราจะต้องจมความทุกข์นี้หลันดอนถึงวันหนึ่งนะเราต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ให้ได้ต้องคิดไว้อย่างนี้เบื้องต้นอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นพระอราหันต์หรอกเอาโสดาบันอะไรเนี้ยนะ พระโสดาบันเอาให้ได้ได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุพระอระหันต์ในอนาคตเนี่ยก็เป็นเรื่องแน่นอนจะบรรลุแน่นอนชีวิตจะไม่เวียนลงไปอ บ, บายภูมิไม่ตกต่ำแน่นอนงั้นเบื้องต้นเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนการจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคนสมัยพุทธกาลฆนะราวาสอย่างพวกเรานี้แหละก็เป็นพระโสดาบันนับไม่ถ้วน S 1> <S 1> เขาเก่งกว่าเราหรือเขาฉลาดกว่าเราไหมเขาไม่ได้เก่งกว่าเรา <S <S เขาไม่ได้ฉลาดกว่าเรานะแต่เขาได้ฟังธรรมที่ดีที่มีคุณภาพสูงของพวกเราบา ร, รมีน้อยนะฟังธรรมที่คุณภาพไม่ดีหรือฟังแล้วเพี้ยนไปเลยนะฟังธรรมะผิดผิ ด, ผดถูกๆูมั่วสั่วไปมากมายในวงการพระของเรานี้นะวงการาศาสนาของเรานีนะ้คำสอนที่นอกรีดนอกรอยของพระพุทธเจ้านี้เยอะมากเลยนะคําสอนที่อยู่ในล่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอนมีไม่ไม่มากเลย หายากด้วยซ้ำไปนะงั้นคนสมัยพุทธกาลไม่ได้เก่งกว่าเราแต่ว่าเขาได้คำสอนที่ดีได้คำสอนที่ตรงจากพระพุทธเจ้าจากพระอระหันต์สาวกในพวกนั้นของเราก็มาเรียนจากครูบาอาจารย์นะเราวัดไม่ได้เลยว่าแม่นยาตรงตามที่พระเจ้าขนาดไห น, นะนสู้กันไม่ได้ตรงจุดนี้จุดหนึ่งละอีกจุดหนึ่งก็คือ คนซึ่งเขาบารมีเต็มนะเขาบารมีมากเขาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้ใจเขาพร้อมที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วในขณะที่ใจของเรายัางหิวโลกอยู่ยังพอใจที่จะเพลินอยู่กับโลกอยู่ถ้าชวนพวกเรานะให้มาลงชื่อเลยตอนเนี้ว่าใครจะนิพพานวันนี้บ้างเอาไม่ไม่เอาหรอกขออยู่กับโลกอีกหน่อยอยากนิพพานนะแต่ขอมีเมียไปด้วย่เนาะ ขอมีทรัพย์สมบัติขามีอะไรอย่างโลกโลกไปด้วยใจเราไม่กล้าทิ้งโลกหรอกนะาะใจเราไม่กล้าทิ้งโลกใจเราก็ไม่ถึงทำเท่านั้นเองคนพุทธการนะบารมีเขามากเขาฟังธรร ม, มนะนเขากล้าเลยนะกล้าที่จะลงมือปฏิบัตินะไม่ได้ติดในความสุขความสบายอย่างโลกโลกยังมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งท่านคอยสืบข่าวว่าเมื่อไรจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลก เวลาพวกพ่อค้าต่างเมืองเดินทางมาถึงเมืองของท่านนท่านจะคอยถามว่ามีข่าวอะไรสําคัญบ้างวันหนึ่งมีพ่อค้ามาบอกว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วในโลกท่านแทบช็อกเลยนี่คือสิ่งที่ท่านรออยู่แล้วท่านก็ถามว่าอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแล้วก็บอกให้เข้าไปรับรางวัลจากพระมเหสนะีท่านรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ของเราไม่อะนะแค่เพื่อนชวนมาฟังหลวงพ่อเทศ ย, ยังไม่ค่อยจะมาเลยบางทีเนะี่ยมันสู้กันไม่ได้ตรงเนี้นะอันแรกเลยก็คือเราไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกที่มีความสามารถสูงนะอีกอ่าหนึ่งก็คือเราอย่างติดโลกมากใจเราไม่ได้พร้อมที่จะทิ้งโลกจริงๆนะถ้าเราได้เงื่อนไขสองตัวนี้เราไม่ได้แพ้เขานะ สติปัญญาพวกเราเนี่ไม่มีด้อยกว่าคนสมัยก่อนหรอกนะเรื่องความฉลาดนะอาจจะฉลาดเยอะกว่านิดหน่อยด้วยซ้ําไปนี่ถ้าเราต้องการความพ้นทุกข์นะเราก็มาฟังธรรมะแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ทำฟังธรรมก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติให้มากนะในส่วนมันก็ได้ผลของการปฏิบัติคือได้เกิดปัญญา ผลของการปฏิบัตินี่ทำให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจแล้วนะจะรู้เลยไม่ใช่ของดีของวิเศษที่ควรยึดถืออีกต่อไปอย่างคนซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญาจะรู้สึกว่าร่างกายของเราเป็นของดีของวิเศษจิตใจของเราก็อยากให้มันมีความสุขเยอะๆรักใคร่หวงแหนจิตใจดวงนี้ ถ้าสติปัญญามันแก่รอบจริงๆมันจะรู้เลยกลายนี้เต็ไมไปด้วยความทุกขนะ์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตนี้ก็มีแต่ความแปรปรวนนะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ของบงังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่ยอมสุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วไม่อยู่ในอำนาจนะนถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้นะไม่นานใจก็จะคลายความยึดถือในกายในใจได้เคลายความยึดถือได้จิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลก เราก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นตรงนี้เองนี่วิธีการที่เราจะมาเจริญปัญญาดูกายดูใจของเราเนี่ยมันมีวิธีการไม่ใช่อยู่ๆก็บอกอย่ายึดถืออย่ายึดถือแล้วก็ฉันไม่ยึดถืออะไรแล้วนะแล้วก็หลุดพ้นไปมันเป็นไปไม่ได้ใจซึ่งไม่มีปัญญากำกับอยู่นะมันมีความโง่คืออวิชชาเนี่ยแฝงอยู่ตลอดเวลา ในใจเราเต็มไปด้วยอวิชาคือความไม่รู้ความจริงนะไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์เราไม่เคยเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกขนะ์พระพุทธเจ้าสอนนะว่าสังกิเตนะปัญจุ ป, ป า, า, าทานขันธาทุกขาโดยสรุปเนี่ยขันทั้ง5้าเนี้ยเป็นตัวทุกข์ขันทั้ง5้าก็ย่อลงมาก็คือรู ป, ปรธรรมกับนามรธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่เองเนี่ยท่านท่านชี้ตัวนี้เลยว่าเป็นตัวทุกข์เราไม่เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เราก็ไม่เคยรู้เลยพราะงั้นไม่มีทางปล่อยหรอก อวิชชาอย่างอยู่เต็หมหัวใจเรานะถ้าล้างอาวิชชาได้นั่นแหละใจถึงจะปล่อยวิธีจะล้างอาวิชชาก็ททำวิชาให้เกิดเหมือนวิธีที่จะทำลายความมืดนะก็ทำความสว่างให้เกิดวิธีทำลายความโง่ก็คือทำความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้ถูกให้เกิดขึ้นนะงั้นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาจริงๆตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะ่ะคืออะไรเราตอบเขาให้เสียงดังๆได้เลยนะว่าคือตัวสัมมาทิฏฐินะความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหลนะนี่เป็นตัวปัญญาตัวสําคัญเลยถ้าเรารู้ถูกเราเข้าใจถูกเราจะไม่ยึดกายยึดใจเมื่อไม่ยึดกายยึดใจจะไม่ยึดสิ่งใดในโลกเมื่อไม่ยึดสิ่งใดในโลกจะไม่มีความทุกข์อะไรเข้ามาถึงใจเราได้อีกนะนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะ นี่วิธีการที่เราจะมาเห็นความจริงของกายของใจนะ น, นี่หลวงพ่อไปที่ไหนก็สอนอยู่เรื่องนี้แหละถ้าฟังครั้งเดียวไม่รู้เรื่องนะไปหาซีดีหลวงพ่อมาฟังนะซีดีมีแจกให้เยอะแยะเลยถ้าคนไหนหาซีดีที่เขาแจกไม่เจอเขาไปเปิดเว็บไซต์นะไปดาวน์โหลดได้มีให้ดาวน์โหลดตั้งเยอะแยะเลยนะหลายแห่งมีต่อๆกันไปเยอะแยะไปแล้วไปฟังซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะฟังไปฟังไปถึงวันหนึ่งเนะี่ย จิตมันจะเข้าใจขึ้นมาแล้วรู้วิธีปฏิบัติจิตจะตื่นขึ้นมาเนี่การฟังไปเรื่อยจิตจะตื่นนะจิตจะตื่นก็คือจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วมันจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยคละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายก็เป็นโคลนละอันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นโคนละอันกิเลส ท, ทั้งหลายกับจิตใจของเราก็เป็นโคนละอันกุศลทั้งหลายกับจิตใจก็เป็นโคนละอันจะเห็นนะ สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันจะแตกออกเป็นส่วนย่อยๆแตกเป็นส่วนๆคำว่าส่วนในภาษาบาลีใช้คำว่าขันคำว่าขันที่เราได้ยินคำว่าขันห้าขันห้าฟังแล้วน่ากลัวนะจริงๆก็ขันก็แปลว่าส่วนนั่นแหละมีอยู่ห้าส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราคืรูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็บิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกเลนไก่ใจในี่สิ่งที่เรียกว่าตัวเรามีอยู่แค่นี้เององค์ประกอบของมันถ้าจิตของเรามีคุณภาพพอนะจิตเราตื่นจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีคุณภาพพอขึ้นมาแล้วก็มันจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแตกออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วแต่ละส่วนย่อยๆนั่นแหละจะแสดงความไม่มีตัวตนให้ดู ร่างกายจะไม่เป็นตัวเราอีกต่อไปแล้วนะถ้าจิตแยกออกมาจากกายจิตมาเป็นคนดูความสุขความทุกข์จะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปนะกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปถ้าจิตมันมีสมา ธ, ธิคือมีความตั้งมั่นที่ถูกต้องนะนั่นก่อนที่จะเคยหยบไปถึงขั้นที่เราเห็นความจริงได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจซึ่งแตกเป็นส่วนๆได้นะี่ย งานแรกที่พวกเราต้องทํานะคือการฝึกจิตให้มีคุณภาพที่จะเรียนรู้ซะก่อนการฝึกจิตให้มีคุณภาพเนี่ยเรียกว่าจิตสิกขานะจิตสิกขาก่อนถึงขั้นปัญญาสิกขาต้องมีจิตสิกขาซะก่อนตรงนี้อาภาัพที่สุดเลยนะชาวพุทธเราเนี่ยไม่สนใจเรื่องจิตสิกขานะอยู่ๆก็จะเจริญปัญญานะหรือไม่ก็ไปนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธินั่แหละคือจิตสิกขาไม่ใช่นะักคนละเรื่องเลย นั่งสมาธิแล้วสงบไปเฉยๆนะจิตไม่ได้มีคุณภาพพอที่จะเจริญปัญญานะงั้นสมาธิมีหลายแบบไม่เคยรู้นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องต้องเรียนต้องรู้นะโดยการที่เรียนรู้จิตของตอนเองนะเรียกว่าจิตศึกษาค่อยหมันเรียนรู้เรืนะ่อยๆงั้นสรุปก็คือก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้ก่อนที่เราจะไปเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นะเราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพซะก่อน นะถ้าจิตเราไม่มีคุณภาพเนี่ยเราไปเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกไม่ไม่ก็ไปเพ่งเอาไว้นะเพ่งกายนิ่งๆเพ่งใจนิ่งๆไม่ก็ไปคิดอุตรลุดเลยถ้าไม่เผลอไปคิดนะก็ไปเพ่งเอาไว้นะสองอย่างนี้แหละก ว, วางเราทำให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะไม่เห็นตามความเป็นจริงนะเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะให้เป็นคนดูให้ไดนะ้จิตใจของเราไม่ใช่เป็นคนเพ่งนิ่งเฉยๆอยู่นะ แล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่คิดคิดคิดไปเรื่อยๆ้ะต้องมาฝึกวิธีที่เราจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้เป็นผู้รู้ตัวนี้สำคัญนะพวกเราต้องฝึกถ้าเราไม่มีฝึกจิตใจเป็นผู้รู้แล้วแล้วก็เราไม่สามารถทำใหิปัสสนาได้จริงนะไฟก็ทำอะไรกรรมฐานอะไรกลายเป็นเพ่งหมดเลยยัางไปดูลมหายใจนะแทนที่จะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เรานะก็กลายเป็นเพ่งลมหายใจสงบไปเฉย ไปดูท้อง่องยุบแทนที่จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นครละ น, นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราก็ไปสงบอยู่ที่ท้องเฉยๆนะคือถ้าจิตไม่มีคุณภาพมันจะไปสงบนิ่งๆนะเวลาไปปฏิบัตนะิงั้นเราต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพซะก่อนปกติจิตของเราเนี่ยจะเคลื่อนไหวตลอดเวลานะวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะตลอดเวลาความจริงวิ่งไปได้หช่องนะวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูป วิ่งไปทางหูนะวิ่งไปฟังเสียงวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปทางลิ้นนวิ่งไปรู้รสวิ่งไปทางร่างกายไปรู้สัมผัสทางกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวในร่างกายจิตมันไหลไปรู้แล้วก็วิ่งไปทางใจคือไปไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งหรือไปทำกรรมฐานนะใ่จะไปเพ่งธรรมตาจิตเนี่ยีได้6ช่องนะ ถ้าเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ไหลไปใน6ช่องนี้ฝึกยากนะฝึกตั้ง6ช่อง ย, ยากมากเลยแล้ เ, เอาช่องเดียวก็พอนะคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดนะในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจิตหนีไปคิดบ่อยที่สุดจิตไปดูจิตไปฟังเนี่ยมีมากรองลงมาจิตไปรู้รสจิตไปดมกลิ่นอะไรนี่น้อยลงมาอีกเห็นไหม เงิส่วนใหญ่จะเป็นจิตไปคิดจิตไปดูจิตไปฟังเนี่ยจะมากที่สุดจิตคิดเนี่ยมีมากที่สุดเลยขณะที่ไปดูก็คิดต่อขณะที่ไปฟังก็คิดต่อทั้งๆที่ไม่ได้ดูทั้งๆที่ไม่ได้ฟังก็นั่งคิดได้อีกงนั้นจิตเนี่ยคิดทั้งวันจิตเนี่ยคิดทั้งคืนนะเนื่นวิธีการที่จะทําปลุกตัวเองให้หลุดออกอย่างโลกของความคิดให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้จิตมีคุณภาพที่จะเจริญปัญญาได้นะี ก็ใช้วิธีที่ง่ายเลยนะก็คือคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดนะจิตมาไหลไปคิดแล้วคอยรู้จิตไหลไปคิดแล้วคอยรู้เบื้องต้นให้เราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนนะอันนี้สําหรับพวกเราที่หวังว่าควรจะได้พระโสดาในชีวิตนี้นะหรือได้สูงขึ้นไปกว่านั้นนะเบื้องต้นเราต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนแต่ไม่ใช่ทํากรรมฐานเพื่อให้จิตสงบกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบ มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะแต่เรามาฝึกกรรมฐานอีกชนิดหนึ่งว่าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราหายใจไปทำอนาปนาสติก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นคนดูต้องฝึกอย่างนี้นะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจของเราเป็นคนดูใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะใจมันไหลเข้าไปเกาะอยู่ที่ลมหายใจรู้ทัน ใจเคลื่อนไปคิดก็รู้ใจเคลื่อนไปจับลมหายใจอยู่นิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นี่สําหรับคนที่จะฝึกด้วยลมหายใจนะไม่ใช่นั่งหายใจแล้วเอาเคลิม้มเคลิม้มหรือน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้ว่างน้อมจิตให้สงบไอ้นั่นเป็นสมาธิก่อนพระพุทธเจ้าเพราะเราต้องมาฝึกสมาธิที่ดีคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละคือคำว่าพุทธนะ พุทธะว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นพุทธะให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้วิธีฝึกจิตให้เป็นพุทธะก็คือรู้ทันตอนที่จิตมันหลงไปคิดจิตที่หลงไปคิดนะกับจิตที่รู้เนี่ยมันตรงข้ามกันเมื่อไร่จิตหลงไปคิดเนี่ยจิตจะไม่รู้ตัวเองนจะเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไร่จิตรู้สึกตัวขึ้นมานะมันจะไม่หลงเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดนะ ถ้าหัดใหม่ๆนะพอรู้สึกตัวปุว๊ความคิดจะดับด้วยซ้ําไปแต่ว่าพอฝึกชํานาญนะจะคิดได้นะโดยไม่หลงจะคิดได้โดยไม่หลงนะจะเป็นอีกแบบหนึง่งใหม่ๆของเราในคิดเมื่อไหร่ลงเมื่อนั้นนะงั้นเบื้องต้นทํำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งนิ่งว่างๆรู้ทันนะรู้ลมหายใจก็ได้หายใจไป หายใจออกหายใจเข้าไปอย่างสบายหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวพวกเราลองทําสิหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวที่สบายๆแค่รู้สึกว่าร่างกายกาลังหายใจอยู่แค่รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งร่างกายนะถ้าเพ่งเนี่ยใจจะเครียดขึ้นมาใลแข็งๆแค่รู้สึกว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่นะคอยรู้สึกเรื่อยๆแล้วพอจิตมันหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันว่ามันหลงไปคิดแล้ว หรือมันไหลเข้าไปจับนิ่งๆที่ลมหายใจรู้ว่ามันเข้าไปจับอยู่ที่ลมไปเพ่งลมหายใจล้วจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะทำอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเคยทําพองยุบดูท้องพองยุบนะก็ไม่ได้ดูให้จิตสงบอยู่ที่ท้องนะแต่ดูแล้วค่อยรู้ทันจิตไปดูท้องพองดูท้องยุบจิตหนีไปคิดแล้รู้ดูท้องพองดูท้องยุบจิตหนีไปจับอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องแล้วก็รู้ เคยรู้ทันเคยขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับมือนะนีคุณหมอพรชัยนะเรียนอย่างสายหลวงพ่อเทียนใช้ขยับเอาขยับเอานะขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกแค่รู้สึกเท่านั้นเองไม่ใช่ไปเพ่งส่มือนะ้วขยับมือไปทำจังหวะไปถ้าขยับ1 4จังหวะเลยไม่เป็นนะขยับแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็ได้นะอะไรก็ได้แค่ขยับนะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ จิตหนีไปคิดเนี่ยขยั บ, ข ย, บ e ใใขยับไปแล้วใจหนีไปละรู้ทันขยับไปแล้วใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือแล้วใจเขเครียดเครียดแข็งแข็งรู้ทันงั้นหลักนี้อันเดียวกันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแต่ทําไปแล้วเนี่ยไม่ได้มุ่งให้จิตไปสงบอยู่กับกรรมฐานอันานั้นแต่ทาเพื่อว่าจิตหนีไปคิดลืมกรรมฐานานั้นนั้นไปรู้ทันทําไปแล้วจิตไปเพง่งไปเกาะนิ่งๆอยู่กับกรรมฐานา น, านั้นนั้นรู้ทัน จิตไปคิดรู้จิตไปเพ่งรู้ฝึกอย่างนี้นะจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเป็นจิตที่ตกอยู่ใต้อํานาจของกิเลสนะเลือกสุดโตงไปข้างตามใจกิเลสในการเป็นสุ ข, ขาริการนุโยคไม่เป็นทางสายกลางจิตที่ไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆนะีสุดโตงไปข้างบังคับกายบังคับใจทํากายทําใจให้ลําบากเรื่องอัตตะเกียมัทธานุโยกนะสุดโตงมาข้างบังคับก็ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางคือการรู้ตามความเป็นจริงนะ ้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้คล้ายๆตึงไปก็รู้หย่อนไปก็รู้นะถ้ารู้ทันอย่างนี้สุดท้ายใจมันจะค่อยๆปรับตัวนะเข้าสู่ความรู้สึกตัวที่เป็นทางสายกลางจริงๆตัวนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเราทำจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้นะจิตของเราจะสุดโตงไปสองฝั่งไม่ตามใจกิเลสที่หล ง, ลงคิดเรื่อยเปื่อยไปก็ไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆเฉยๆ จิตที่สุดโต่งไปสองฝั่งเนี่ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงนะไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนท่านสอนทางสายกลางไม่สุดโตง่งตามใจกิเลสไม่สุดโต่งข้างทำกายทำใจตัวเองให้เครียดเครียดแข็งแข็งลำบากนะทรมานกายทรมานใจงั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะให้กันบ้านพวกเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทานจิตเนี่แหละถึงจะเรียกว่าวิธีฝึก ให้จิตมันรู้ตัวตื่นขึ้นมาเข้าสู่ทางสายกลางนะก่อนจะไปเดินปัญญาเนี่ยต้องมาฝึกจิตให้เดินอยู่ในทางสายกลางให้ได้ซะก่อนนะถ้าจิตยังไม่เดินอยู่ในทางสายกลางไปเดินปัญญาไม่ได้จริงนะอย่างเช่าชายสิทธัตถะเห็นไหมเช้าชายสิทธัตนถะก่อนที่จะทำสงครามแตกหากกับกิเลสนะท่านรู้จักทางสายกลางก่อนนะในตาราก็บอกว่าพระอินมาดีดพินให้ฟังเห็น สายนี้ตึงไปดิดทีเดียวขาดสายนี้หย่อนดิดแล้วไม่เพราะนีสายที่ขึงพอดีพอดีไพเราะเนี่ยท่านจะรู้วิธีว่ารู้วิธีว่าจะต้องเข้าไปสู่ทางสายกลางนะทางสายกลางเนี่ยคือการรู้ตามความเป็นจริงนะไม่ใช่หลงไปลืมตัวเองนะหรือเวลาหลงเนี่ยจะลืมตัวเองลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมอย่างเวลาเราใจลอยเราคิดเรื่องนอนท์เรื่องนี้นะใจลอยสุดขีดเนะี่ยคิดอะไรยังไม่รู้เลย นะใจลอยรองลงมาเนี่ยคิดอะไรก็รู้นะไปคิดคิดเรื่องนนเรื่องนี้แต่ขนาที่คิดเนี่ยมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมเนี่ยสุดต่งไปข้างตามกิเลสไปนะกิเลสมันผลักดันให้ฟุ้งซ่านไปก็ฟุ้งตามมันไปนะี่พวกนื้สุดโต่งในข้างบังคับบังคับกายบังคับใจพวกที่ทำกรรมฐานนะที่ชอบนั่งสมาธิจะสุดโต่งมาข้างบังคับเกือบร้อยละร้อยเลย ไปนั่งหายใจก็นั่งบังคับใจให้นิ่งบังคับใจจงแข็งแข็งเครียดเครียดเดินจงกรมนะก็เครียดดูท้องพองยุบก็เครียดขยับมือก็เครียดอันนี้ตึงเกินไปนะต้องระวังอย่าให้สุดโต่งสองข้างนี้งั้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตไหลไปรู้ทันจิตไปเพ่งตึงเกินไปเนี่รู้ทันรู้ไปเรื่อยนะจิตจะค่อยๆปรับสมดุลของมันเอง ไม่ต้องพยายามทำจิตให้เป็นกลางนะไม่ต้องพยายามทำจิตให้เข้าสู่ทางสายกลางให้รู้ทันเวลาจิตมันไม่อยู่ในทางสายกลางแค่รู้ทันมันจะเข้าสู่ทางสายกลางของมันเองนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยถ้าเราจงใจจะทำความรู้สึกตัวที่แท้จริงขึ้นมาเนี่ยจิตของเราจะเพี้ยนหมดเลยมันจะไม่ถูกต้องมันจะแข็งเกินไปจงใจทาเมื่อไหร่แข็งเมื่อนั้นเลยนะพวกเรารู้สึกไหมเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยใจเราจะแน่น หนักๆแน่นๆ แ, แข็งๆนี่แหละคือสุดตรงไปข้างบังคับงนะั้นเอาแค่รู้นะแค่รู้แค่รู้สึกหายใจไปก็ได้นะคนไหนถนัดหายใจหายใจไปใจไหลไปคิดเรารู้ใจไปเพง่งเรารู้คนไหนดูท้องพองยุบก็ดูท้องฟองยุบไปสบายๆใจไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รูนะ้เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนรู้อยู่นะพอใจมันเผลอน้ําหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิด พอใจมันถลําลงไปเพ่งอยู่ที่เท้านะหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายเลยก็รู้ทันอีกนะใจมันจะหลุดออกจากความสุดโต่สองข้างนะเข้ามาสู่ความพอดีของมันเองงั้นนี่แหละคือการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาที่แท้จริงนะหลวงพ่อนะฝึกมาตั้งแต่อายุ7ขวบทําสมาธินะแต่ตั้งแต่เด็กๆตอนฝึกทีแรกเนี่ยมันเป็นสมาธิชนิดสงบ ฝึกหายใจนะหายใจหายใจไปเรื่อยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2นับไปเรื่อยนับไปถึงร้อยแล้วก็นับ1ใหม่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะถ้านับถึง10เองนะหลวงพ่อตันเป็นเด็กๆนับนับถึง10แล้วท่านให้มานับ987อะไรเงี้ยนับไม่เป็นนับไม่ได้นับได้ 1- นึ่ถึงร้อแล้วก็มาเริ่ม 1- นึ่งถึงร้ออีกอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวนะไปดูเอาเอง หายใจแล้วไม่ต้องนับก็ได้หายใจแล้วพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือหายใจแล้วไม่มีพุทธโธเลยก็ได้หายใจแล้วเข้าพุทหายใจออกโธแล้วนับหนึ่งก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดนักตันเด็เดกๆหลวงพ่อไปหัดอย่างเนี้ยนะนี่ไม่มีครูบาอาจารย์ไปเรียนจากท่านพหลีวัฒโสคารามนะเรียนได้สองปีนานๆผู้ใหญ่พาไปทีหนึ่งแนละ้วท่านก็สอนหายใจเข้าพุทออกโทสอนอยู่อย่างเนี้ยทําอย่างอื่นไม่เป็นนะเดินปัญญาไม่เป็นนะ ก็หายใจไปเรื่อยๆใจก็ค่อยสงบสงบนะสงบสว่างออกมา ใ, ใจออกไปเที่ยวข้างนอกนะไปดูสวรรค์ดูอะไรดูอะไรออกไปเที่ยวข้างนอกไปนะนานนานไปเนี่ยม่เกิดกลัวขึ้นมาว่เาเราออกไปข้างนอกถ้าไปเห็นเทวดาเราไม่กลัวนะเราไปเจอผีเราจะทำไงกลัวผีอ่นะนี่ถ้าให้มานั่งภาวนานในโรงพยาบาลนี่ไม่เอาแน่เลยไม่อยากเข้าใกล้นะกลัวนะวาดภาพไว้ว่าผีต้องอยู่ในโรงพยาบาลเยอะเลย ก็เราใครรู้สึกบ้างว่าผีควรจะอยู่ที่นี่เยอนะนักคนชอบคิดอย่างเนี้ผีไม่จะมาอยู่ทําอะไรโรงพยาบาลกลับบ้านมันสนะิใครมีมานั่งเฝ้าโรงพยาบาลตกดึกๆมาขึ้นลิฟลงลิฟต์มัแต่งนิยายกันเนะืนะ้หายใจไปได้นะตอนเด็กๆลมค่อยตื้นๆกลายเป็นแสงนะแล้วก็ออกไปเที่ยวแต่มากลัวผีคราวนี้แม่ยอมออกนะพอใจจะเคลื่อนออกนะรู้ทันใจจะเคลื่อนรู้ทัน นั่นเปนคือหลักที่หลวงพ่อบอกว่าใจจะเคลื่อนไปนะรู้ทันใจจะเคลื่อนแล้วรู้ทันในสุดใจจะตั้งมั่นใจก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่เดินปัญญาต่อไม่เป็นนีไม่มีครูบาอาจารย์สอนก็ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวมาเรื่อยๆนะใจมีสมาธิแต่ไม่เดินปัญญาเดินไม่เป็นนั้นมันมีสองขั้นนะขั้นแรกฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวก mm. ่อนพาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถึงจะเข้าไปสู่ขั้นท sí. ี 2> 2> ่2ขั้นของการเจริญปัญญา เนี่ยตรงเนี้ยที่นักปฏิบัติจํานวนมากชอบพูดกันบอกต้องมีสมาธิสั ก, ก่อนถึงจะเกิดปัญญาแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันหัวสูกหัวซุนนั่งเคลิบนั่งเครียดอะไรอยสมาธิอย่างนั้นมันมิจฉาสมาธิไม่ทําให้เกิดปัญญานะทําให้เกิดโมหะโมหะกับปัญญานะตรงข้ามกันนะนั่งแล้วก็อย่างเงี้ยเคยเห็นไหมหรือไม่ก็นนะเนีย่ยนี่มันพวกโมหะพวกราคา่าพวกโทสานะ มันไม่ไม่เดินปัญญาหรอกนั้นทําสมาธิให้ถูกชนิดนะใจเคลื่อนระรู้เคลื่อนระรู้สําคัญมากเลยนะนี่ตอหลวงพ่อฝึกอยู่อย่างเงี้ยย2่ปีฝึกแต่สมาธิเดินปัญญาไม่เป็นเป็นวันหนึ่งได้ได้ยินชื่อหลวงปู่ดุลนะเลยถามคนว่าหลวงปู่ดุลท่านอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าโอ้หลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟัน่นนะนี่เมื่อปี2 4งสนะสองพ ได้ยินชื่อหลวงปู่ดุลย์เที่ยวถามคนหลวงปู่ดุลย์อยู่ที่ไหนสอนธรรมะแปลกสอนเรื่องจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยฝนพี่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมากผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธสอนแปลกสอนเรื่องจิตไม่เคยได้ยินสนใจมาเที่ยวถามคนคนเขาก็บอกว่าเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟ้านหลวงปู่ฟ้านยังมรณภาพแล้วเลยคงไม่อยู่แล้วละ่นะเราก็โอ้ท่านสิ้นไปแล้วนะเสียดาย ต่อมาอีกหลายเดือนอยู่นะคนก็มาบอกบอกท่านยังอยู่นะอยู่สุลินก็ขึ้นรถไฟไปหาท่านท่านก็มาสอนให้ดูจิตตัวเองดูจิตทีแรกท่านบอกให้ไปดูจิตนะท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก็ลาท่านนะขึ้นรถไฟมาเอ้ท่านให้ดูจิตดูยังไงบ้าจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูอะไรนะตอบไม่ได้สักเรื่องเลย ดันไม่ถามท่านมาซีงหมวแต่ปลื้มนะเจอท่านแล้วปลื้มใจเหมือนพวกเราเวลาเจอหลวงพ่อบางคนปลื้มมากนะถามหลวงพ่อตั้งใจจะถามเรื่องนี้ไปถามอีกเรื่องหลวงพ่อก็ตอบไปอีกเรื่องเลยนะจําไม่ได้อีกสักเรื่องเลยคราวนี้ยิ่งไฟกันใหญ่ตอนนั้นก็เหมือนกันนั่นไปเจอหลวงปู่ดูนก็ปลื้มนะลืมท่านถามเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจนะลาท่านนะคือรถไฟพอรถไฟเริ่มวิ่งท่าวนะใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตหนูจะดูยังไง จะเอาอะไรไปดูจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้พอไม่รู้จะทําอะไรนะเขาก็กลับมาทําสมาธนะตอนนั้นใช้สวดมนต์เอาในใจนะนึกในใจะสวดมนต์ไปทีแรกพุโทโธพุโทโธหายใจนะทีแรกหายใจเปล่าพอใจสงบใจสบายแล้วเริ่มคิดพิจารณาหลวงปู่ให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่จิตต้องไม่อยู่ข้างนอกอะ ถ้าจิตเราไปอยู่นอกตัวก็ประหลาดนะคิดว่า ต, ต่อไปนี้เราจะไม่หาอะไรที่เกินตัวออกไปจะเรียนรู้อยู่ในร่างกายไม่ให้เกินร่างกายนี่ออกไปเนี่คือสโคปนะของการศึกษาธรรมะนะขอบเขตของการศึกษาธรรมะนะศึกษาลงในกายในใจของเราเองอย่าให้เกินกายเกินใจของตัวเองออกไปถ้าไปศึกษาออกข้างนอกไปนะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะตอนนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้สรุปให้ฟังอ ใจหลวงพ่อมันสรุปเองนะมันทําความสงบเพื่อมันก็มาพิจารณาท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในนี้จิตไม่ไปอยู่ที่อื่นหรอกไม่งั้นต่อไปนี้เราจะไม่รู้อะไรเรียนอะไรเกินกายเกินใจออกไปเจอเรียนอยู่ในนี้วันหนึ่งต้องเจอจิตก็นะนั่งรถไฟมาเรื่อยๆนะจนใกล้ๆจะถึงกรุงเทพแนละ้ก็สวดมนต์ขึ้นมาในใจนะพุทโธสุสุโรโธกรุณามหั่นนบรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์นะมีพระกรุณาดังห้วงมหันมภ์ สวดในใจพอสวดในใจอยู่นียมันเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาพุโทโธสู่สุดโธก็คือความคิดนั่นแหล ะ, ละเราคิดบทสวดมนต์นจิตมันไปเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมานะมันรู้ทันความคิดขึ้นมานจิตก็หลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะไ ด, ได้ได้ความรู้สึกตัวขึ้นมาถึงได้มาบอกพวกเราไงคอยรู้ทันเวลาจิตมันไปคิดนะ <S <S ถ้ารู้ทันจิตที่ไปคิดมันจะได้จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ทํามาด้วยตัวเองเลยนะ แล้วทดสอบมาจากครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านยอมรับเลยว่าต้องวิธีอย่างนี้แหละนะทั้งหลวงพ่อเทียนนะสอนเลถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติจะได้จิตรู้ น, นั่นเองเป็นต้นทางนะพอจิตมันตั้งตัวเด่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเฮ้ยนี่มันของเดิมของเก่าตอนเด็กๆที่นั่งสมาธิมาตลอดนะก็นั่งเสร็จแล้วก็จิตมาตั้งมั่นอยู่ตรงนี้เองนะก็เลยรู้เลยนะวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยนั่งสมาธิมานะก็มาได้นะ หรือรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปคิดเนี่ยก็มาได้เพราะฉะั้นเราต้องมาฝึกนะต้องพยายามให้ได้จิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเราได้จิตตัวนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่มีตัวนี้เจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกมันจะไปหลงคิดไม่ก็ไปหลงเพ่งงั้นให้กันบ้านนะไปทเาเมาทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาหลวงพ่อนาะฝึกตั้งแต่เป็นคารวะเนยจิตจะเป็นตัวรู้อยู่แทบทั้งวันเลยนะ รู้สึกตัวได้สบายหรือเห็นร่างกายยืนเดินด น, นั่งนอนใจเป็นคนดูนะไม่ได้เพ่งนะแล้วใจก็สบายมีความสุขเมื่อก่อนทํางานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะเดินเดินยิ้มทั้งวันเลยใครๆเขรู้สึกว่าคนนี้แปลกยิ้มกระทั่งกับสายลมและแสงแดดแลกคนมันมีความสุขอะ่ะมันมีสมาธิจิมทรงตัวนะครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมใครเคยรู้จักไหมหลวงปู่สิมพุท ธ, ธาจารยท่านเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะไม่ใช่ผู้รู้อะไรผู้รู้สึกตัว กนะ็เป็นผู้รู้สึกตัวนี้พอเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยถัดจากนั้นเนี่ยถึงขั้นของการเจริญปัญญานะเรต้องมาหัดเจริญปัญญาให้ได้วิธีเจริญปัญญาเนี่ยเราใช้ใจที่รู้สึกตัวรู้ตัวอยู่นะร่างกายเคลื่อนไหวสติคอยรู้ทันสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นคนดูอยู่นะเวลาความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นในจิตสติเป็นคนไปรู้ทันว่ามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตแล้ว จิตเท่าตั้งมั่นเป็นแค่คนดูอยู่เห็นสิ่งที่แปลกปลอมมันแปลกปลอมเข้ามาในจิตนะจิตเป็นคนดูอยู่มันจะรู้เลยว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะมันไม่ใช่จิตหรอกนันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเพรามัจิตเป็นคนดูอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่จิตเป็นคนดูอยู่นะร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอนกันเพราะขันมันแยกได้อย่างนี้นะมันถึงจะเดินปัญญาได้อาจา ah รย์มหาบัวหลวงตามห ah าบัวท่านสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่ได้นะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะ จเจริญไม่ได้จริงหรอกอันนี้ตรงกับปริยัติเลยปริยัติเนี่ยปัญญาขั้นที่หนึ่งนะชื่อนามรูปปริเฉทยานแยกรูปนามร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเป็นรูปนะจิตเป็นนามเป็นคนดูรูปกับนามคนละอันกันนะนี่ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยในจิตในใจของเราต่อไปก็แยกได้อีกแยกละเอียดออกไ ป, ไปอีกในร่างกายก็แยกละเอียดออกไปได้อีกร่างกายที่เห็นเป็นร่างกายเนี่ยนะจิตเป็นคนดูอยูนะ่ถ้าแยกละเอียดนะร่างกายนี่ก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆนั่นเอง ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่แยกก็แยกธาตุออกไปนะในจิตในใจนี่แยกออกไปได้อีกนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตนี่เรียกวทนาขันนะความจําได้หมายรู้ไม่ใช่จิตนะเรียกสัญญาขันกุศลนาคุศลทั้งหลายไม่ใช่จิตนะคือสังขารขันนะจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันอยู่ในวิญญาณขันนะเนี่ย ตัวตัวร่างกายนะั้นเราก็แยกเป็นาธาตุได้จิตใจนะี่เราก็แยกเป็นขันได้ทั้งสขันนะแยกเป็นเวทนาความสุขความทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์คือคือตัวจิตนัต่นแหละจะเป็นจิตที่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจพอแยกได้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องทําอะไรมากหรอกก็เห็น เวลาสติระลึกรู้ร่างกายใจเราเป็นคนดูสติระลึกรู้ร่างกายจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวลาจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เนี่ยกูสอนกูศลอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะสติระลึกรู้ปุ๊บจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะเกิดปัญญารู้ว่าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่ตัวเรา อาการที่เห็นจิตวิ่งไปเกิดที่ตาวิ่งไปไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจะเห็นเลยจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดที่หูเกิดแล้วก็ดับนะเนี่ยต่อไปก็จะเห็นนจิตมีแต่เกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเป็นตัวเรานะเราก็บังคับไม่ได้ด้วยอย่าบังคับว่าให้จิตเกิดที่ตาอย่างเดียวไม่ให้เกิดที่ใจก็ทําไม่ได้นะให้พวกเรามองหลวงพ่อย่างเดียวห้ามคิด เราดูซิห้ามคิดนะคิดใหญ่เลยเห็นไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้นี่คือความจริงนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้คือคําว่าอนัตตานะอนัตตาคือตัวนี้เองบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจหยุดคิดซิหยุดคิดคิดอุตลุดเลยเห็นไหมแม่ก็ไปเพ่งเาไวพยายามจะให้หยุดคิดทุกเพ่งเพ่งเพงเพงก็คิดใหญ่ว่าทำไงจะไม่คิดสุดท้ายก็จะรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ เนี่ยถ้าเราใจเราตั้งมั่นนะสติะระลึกรู้กายเห็นกายไม่ใช่เราใจตั้งมั่นสติะระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ะระลึกรู้สังขารความดีความชั่วะระลึกรู้วิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจสุดท้ายปัญญามันจะเกิดเลยว่ามันไม่ใช่เราเลยร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีหรอก วันใดที่เห็นนะใจยอมรับความจริงได้ว่าตัวเราไม่มีจะได้พระโสดาบันนะจะเป็นพระโสดาบันพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนนึ่งทำไงก็ต้องมีเราอยู่คนนึงไม่ใช่พระโสดาบันแน่นอนนะเนี่ยสังเกต ต, ตรงไปเลยมันยังมีตัวมีตนอยูมม่มีเราอยู่นะเบื้องต้นนะเอาตัวนี้ให้ได้ก่อนนะค่อยๆฝึกแยกธาตุแยกขันไปก่อนจะแยกธาตุแยกขันนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไป จิตที่เคลื่อนไปคิดเคลื่อนไปเพ่งจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วสติะระลึกรู้กายจะเห็นกายไม่ใช่เราจิตตั้งมั่นแล้วสติะระลึกรู้ความสุขทุกข์รู้กุศลอกุศลน ะ, ล ะ, ละรู้ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิก้นใจจะเห็นว่าไม่มีเราเลยนะเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกถึงจุดหนึ่งจิตจะยอมรับความจริงตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมของรูปประธรรมบ้างนา ม, มาธรรมบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปจะได้ธรรมะขั้นต้นนะ แล้วขั้นสูงกว่านั้นก็ปฏิบัติอย่างเดิมนี้แหละแต่ปัญญามันจะแทงทะลุลงไปอีกเบื้องต้นจะเห็นว่ามีแต่สภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายมันจะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนั่นแหละคือตัวทุกข์ทุกข์ล้วนๆหน่อยรูปเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเห็นถึงตัวเนี้ที่สุดแห่งทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจิตจะสลัดคืนกายคืนใจคือรูปคืนนามให้โลกไปนะไม่ยึดอออะไรีก เนี่ยเส้นทางเดินเขาเดินกันอย่างนี้นะพวกเราก็ไปหัดเอานะเทศให้ฟังพอสมควรละเทศมากกว่า น, นี้เดีย๋ยวจะง่วงแต่ไม่เห็นมีใครง่วงเลยสังเกตไหมตาแป๋วแปวไม่ค่อยมีคนง่วงมีคนหลับ <c oughs> มีหลับบ้างคนหลับไม่ว่าอะไรนะธรรมดาเทศช่วงนี้อาหารเป็นพิษยังไงก็หลับแต่เกสเอร์ซตตื่นใช้ได้นะ ไปทําเอานะทาเอาฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนแล้วเอาจิต ท, ที่ตั้งมั่นไปดูธาตุดุขขันธ์มันทํางานเตือนเต้นไหมเตือนเต้นค่ะเตือนเต้นแล้วทํำยังไงรู้ค่ะเออนี่คนนี้แสดง ว, ว่าฟังมาแล้วค่ะอนาจา ก, การใช่ค่ะหลวงพ่อลูกได้พบหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วค่ะแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วค่ะ แล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของหลวงพ่อแล้วก็ตามคําแนะนําของสามีอะค่ะอือโอสามีเป็นกระยาณนมิตดีนะค่ะสามีปฏิบัติมาหกปีแล้วค่ะแล้วก็สามีฉลาดนะให้เมียภาวนาซะนะอยู่ได้ไม่อยากได้แหวนเพชรอยากได้โน่นนั่นอยากแล้วพออยากวันเมื่อไหร่ก็บอกอยากรู้ว่าอยากนะเธอความอยากดับไม่เอาแล้วดีแล้วไงอีกค่ะก็ หน ì, ango, e humans, ูก็ใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะอยู่ใ่ที่ทํางานค่ะเอางี้หลวงพ่อถามดีกว่าหนูเล่าเดี๋ยวยาวหนูเห็นไหมว่ากายกระใจเป็นโขรานเห็นเห็นแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าความสุขความทุกข์จิตใจก็โขรานเห็นความเกิดดับเออแล้วก็เห็นความสุขความทุกข์นี่มันสั้นมากเตัวอย่างมันชั่วขณะชั่วขณะนั่นแหละถัดจากนี้ดูบ่อยๆดูไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องก็ทําความสงบนะะ ทำความสงบมากมายไม่เป็นทำความสงบนิดหน่อยก็ได้ไหวพระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้านะใจสงบตอนนี้ที่ขาดอยู่คือขาดจิตที่สงบนะขาดตัวนี้อยู่หรือปฏิบัติโดยการสวดมนต์แล้วเดินจงกรมมาสวดไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลนะตอนนี้สมาธิไม่พอจิตนกระจายต้องมีอะไรต้องแก้ไขไหมคะสอนให้แล้วจิตมันไม่ตั้งมั่นจจิตมันกระจายออกไป ขอบคุณด้ยค่ะขอการ์ค่ะก็หรก็จะปฏิบัตินั่งสมาธิเช้าเย็นแล้วก็ระหว่างวันก็พยายามทำรู้สึกตัวก็จะมีหลงมีรู้ไปอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะกลับมาเข้าฐานให้เร็วขึ้นแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นเดี๋ยวจากที่ดีๆก็จะเสื่อมลงต่อหน้าต่อต า, อตออาก็จะกลับมารู้แล้วก็ชังมันผ่านไปแล้วช่วงที่ มีสติรู้ต่อเนื่องค่ะก็จะเห็นก็คือหนูจะดูลมหายใจก็จะเห็นว่าลมหายใจมันละเอียดรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเม็ดๆค่ะแล้วก็มันรู้สึกว่าคือมันมันทุกข์ไม่ว่าเราจะไปทําอะไรอะไรเข้ามาได้ยินตาเห็นจมูกได้กลิ่นมันมันทุกข์ที่ จ, จิตมันไหวอย่างเงี้ยค่ะจิตมันไหวห้ามมันไม่ได้ะนะหลวงพ่อเราเคยกลุ้มใจมากเลยจิตไหว<ช>ทั้งวันทั้งคืนนะสติมันแรงมากไนงะ หลับอยู่ก็เห็นไหวๆโอ้ยทุกมากเลยคมันถ้ามันเหนื่อยนะก็ต้องทําสมถะค่ะก็คือจะรู้ว่ายิ่งมันไหวมากก็กลับเวลาเดินก็จะรู้หยาบแข็งอะไรก็คือดูให้รู้ไปแล้วช่วงไหนที่ทําได้ต่อเนื่องมันก็กลางคืนจะทําสมถะได้นานหน่อยแล้วก็ตอนนอนก็จะมีสติแล้วมันก็ทุกข์อีกที่พิกก็รู้สึกมันเหมือนมันไม่หลับอะค่ะอืมพิกร่างกายมันหลับนะแต่จิตมันตื่นพลิกซ้ายพลิกขวามันจะรู้ตัว แต่พอตื่นมามันมันไม่เพลี่ยไม่เพลี่ยนหรอกเพราะว่าร่างกายมันนอนค่ะมันไม่ใช่ร่างกายมันตื่นเนี่ยจิตมันตื่นนะครับถ้าช่วงที่ปฏิบัติได้ดีมันก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะแล้วก็บางครั้งก็เสื่อมก็เสื่อมนะเสื่อมการภาวนาไม่ใช่ภาวนาแล้วเจริญรวดแต่เนาะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงจะถูกค่ะเราช่วงที่ดีๆก็จะรู้สึกว่ามันมันอึดอัดมันมันเหมือนถูกถูกขังอยู่ในที่แคบๆที่มันอยากแตกออกมาตัวเนี้ยจะแตก ครั้งที่หนึ่งตอนได้โซดาโซดาปฏิมาค์เนี่ยทำให้ตัวเนี้แตกออกแล้วก็มันก็มาปิดอีกนะครั้งที่สี่ถึงจะขาดดงนั้นหนูจะต้องทุกอย่างนี้ถูกอยู่ในแคปซูล รู้สึกไหมมันเหมือนคือเหมือนมีวันนึงนั่งสมาธิตอนเช้าคือก็นั่งไปปกติอะค่ะคือจิตไหลออกไปก็กลับมารู้คือไม่ได้อยากไม่ได้อะไรมันเห็นเหมือนมีลูกขีนกลมๆใหญ่ๆหยาบๆแล้วมันลาวเรารู้สึกว่าเปลือกมันหนาหนามากๆแต่เราไม่ได้สนใจก็ดูวันไปแต่ก็ออกมาก่อนก็เห็นกองงงๆแต่พอรู้สึก ช่วงถึงที่มันทุกข์มันอึดอัดก็กลับไปนึกถึงที่เคยเห็นตรง น, นั้นนะคะ ม, มันรู้สึกว่าเออมันมันอึดอัดแล้วมันอยากจะออกมามันออกไม่ได้เพราะเปลือกมันหนามากๆไม่ได้หรอกนะมันถูกขังอยู่ในภพนี่แหละแล้วหนูต้องทำยังไงต่อแล้วที่ทํามาคือถูกแล้วถูกแล้วแหล ะ, ลละนะแต่ถ้าใจฟุ้งซ่านก็ทําความสงบนะค่ะขอบคุณค่ะกลับมาราการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือที่จริงแล้วหนูมาเป็นครั้งแรกและได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกถือว่าเป็น บุญวาสนาของของดิฉันเป็นอย่างยิ่งแล้ววันนี้ข้าพเจ้าได้ฟังท่านแล้วรู้สึกว่าพึง่งเลยได้เริ่มต้นเท่า น, นั้นเองหนูขอขอขอเข้ามาอาภาัยที่อยากจะถามอะไรว่าคือเมื่อก่อนเนี้ยที่หนูไม่ได้ปฏิบัติเลยอ่ะหนูเคยนั่งแล้วนั่งนิ่งๆแล้วมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินแล้วมันว่างเปล่าบังเอิญเหมือนจะ หายใจมันเบาลงเหมือนหนูจะหยุดหายใจอ่ะไม่ทราบว่าไอ้นั้นจิตมันได้สมาธิลมจะละเอียดละเอียดจนมันหยุดหายใจแล้วถ้าเราหยุดหายใจมันจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไม่ตายหรอกนักการก็หลวงพ่อหนูขอทราบแค่นี้ค่ะเอาแค่นี้เหรอไอ้นั้นมันสมถะนะหนูหนูอยากมีปัญญาค่ะเอออยากมีปัญญาทําอย่างนั้นไม่มีหนูอยากอยากมีปัญญาเนี่ยนะ เห็นร like ่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูหนูได้เมื่อกี้นี้เองค่ะอืมนะทําอย่างนั้นถึงจะได้ปัญญาการน้ำมัสการครับหลวงพ่อผมเพิ่งมาครั้งครั้งที่สองครับแต่ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วครับครั้งนี้ผมอยากขอการบ้านครับว่าผมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างครับ ก็สังเกตนะร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆนะครับต้องเอากายมาช่วยด้วยเหตดูจิตอย่างเดียวเดี๋ยวเคลื่อไปง่ายต้องดูร่างกายด้วยเห็นร่างกายพยักหน้าอะไรนะ ร, รู้สึกบ่อยๆแล้วก็ถ้าจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไระก็ไม่ย่อค่อยเห็นเองเอากายเป็นฐานไหมครับแล้วการปฏิบัติของผมมันมันดีไหมครับหรือว่า ทำไมจะไม่ดีล่ะต้องปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติแล้วไม่ดีเลยครับจิตของโยมตอนนี้เป็นยังไงมันตื่นเต้นครับแล้วก็มันชอบหลบไปหาความสงบครับเออนะให้รู้ทันนะว่ามันติดสงบตัวเนี้ที่หลวงพ่อถึงบอกว่าให้มาดูกายครับกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ทําสมาธิเยอะพวกติดติดสงบเยอะเมื่สงบมากเนี่ยจะดูจิตไม่ได้เพราะมันจะไม่มีอะไรให้ดูหรอกต้องดูกาย ให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันนะแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูอยู่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆพอดูแล้วมันชอบไปจับแล้วไปกดนะครับเออให้รู้ทันว่าไปกดอยู่ไปจับนะถ้าสมัยก่อนอาจจะชอบเลยเถ้าทําอย่างนี้ได้เรื่องไปนักปฏิบัตินะครับถ้าได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วเพราะว่าไม่ใช่หรอกครับใช่ครับดีแล้วล่ะไปทําอีกขอบคุณ กลับมัส ก, การคะ่ะหลวงพ่อเ อ, อหนูก็ฟังซีดิหลวงพ่อมาหลายปีเหมือนกันคะ่ะแต่ว่ากายกะใจใยเป็นคนละอันกันไหมไม่เป็นค่ะอันเดียวกันแลน้วความสุขความทุกข์กับใจอะ่ะคนละอันกันหรือว่าอันเดียวหนูยังดูไม่ค่อยออกะคะ่ะดูไม่ออกเหรอดูไม่ออกก็เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะแล้วถ้าจิตหนีไปคิดรู้จิตหนีไปคิดรรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ จิตจะได้ตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วมันจะดูออกเห็นแนละกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจแล้วถ้าถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่สติมันจะดีขึ้นใช่ไหมคะหลวงพ่อสติเนี่ ย, เ, ยเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะเราคอยรู้บ่อยๆนะเพราะงั้นอย่างสมมตเราหายใจเราคอยรู้สึกหายใจคอยรู้สึกนะตาแฝงสติจะดีขึ้นให้เราคอยรู้สึกบ่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องรู้สึกตลอดเวลา หลายคนทํากรรมฐานนะต้องรู้สึกตลอดเวลาจะเครียดจะแข็งแข็งจะแข็งเกินไปนะจะไม่ดีนะจะตึงนะั้นเพราะกลัวจะเผลออยากรู้ตลอดเวลาจะแน่นไปนะหายใจไปสบาย ใ, ใจหนีไปเราก็รู้หนีได้แต่หนีอย่าให้นานนะใช้ใจหนีแวบรู้สึกตัวที่เย็นลแล้วตั้งแต่เช้ายันเย็นอย่างนี้นานก็คือให้หลวงพ่อให้กันบ้านว่าต้องไปรู้สึก ตัวบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆอยนะใจไหลไปคิดก็รู้ไหลไปคิดตัวรู้ของหนูเนี่ยมันจะช่างคิดนะจิตมันจะเป็นนักคิดอาชีพนะฟุงซ<อ>่านไหมคนะหลวงพ่อพูดสุภาพว่ามันเป็นนักคิดอาชีพคนจริงมันสุฟุ้งซานนั่นแหละใช่ค่ะนะั้นะต้องทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันเวลามันไหลไปคนะคือแล้วมันก็คิดเยอะจนไม่รู้ว่าจะทําคือหากรรมาฐานแบบไหนที่หาย ใ, ใจยไปก็ได้ หายใจไปหรือพุโทโธไปก็ได้แต่ไม่ได้ห้ามคิดนะถ้าห้ามจะแน่นหายใจเล่นๆหายใจสบายๆแล้วใจหนีไปคิดแล้วรู้ะนะถ้าฝืนออนี้แล้วสติมันจะเร็วหงพ่อขอบคุณครับขอบพระส ก, การหองพ่อครับ ก็ผมฝึกตอนนี้ก็คือนั่งเดินจมกรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงครับวันหนึ่งนะครับทีนี้เดินจงกรมเนี่ยผมสงสัยที่หนึ่งครับว่าบางทีเวลาเดินเนี่ยบางทีมันก็รู้ลมหายใจบ้างสับกระเดินบางทีมันก็รู้คิดฟุตโทบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็บางทีก็คิดฟุ้งซ่านไปอย่างเงี้ยครเวลาเดินเราควรจะแบบว่ามีสกิรู้จิตการเคลื่อนไหวของกายอย่างนั้นใช่ไหมครับถือว่าบางทีมันมันก็รู้ฟุตโคขึ้นมาเองบางทีก็รู้ลมหายใจสับกันไปกันมาอย่างเงี้ยคร แล้วก็ค่อยรู้ทันค่อยค่อยหัดดูไปร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตค่อยๆแยกไป mm hmm. แล้วต่อไปถ้าเดินไปเดินไปใจไหลไปคิดก็รู้ค่อยรู้ทันแล้วแต่ว่ามันจะรู้อะไระแต่เบื้องตอนน้นก็คือต้องรู้สึกตัวก่อนนั้นใจไหลไปคิดเดินไปใจไหลไปคิดเรารู้เดินไปใจไหลไปคิดเรารู้หรือใจไปเพ่งเท้าก็รู้นะรู้ตัวนี้ก่อนใจจะได้ตั้งมั่น ใช้ตั้งมั่นแล้วก็ดูกายมันทํางานไปดูใจมันทํางานไปอันนี้แล้วแต่สติเขาจะเห็นถ้าร่างกายมันมีอะไรที่เด่นขึ้นมาสติก็ไปรู้เอามันจะรู้ของมันเองถ้าจิตใจมีอะไรเด่นขึ้นมานะสติเขาไปรู้ของมันเองแต่ว่าเราคอยรู้สึกตัวไว้แต่อย่าไปเพ่งนะขณะนี้เพ่งไหมตอนี้รู้สึกว่ามันหลับลงไปอะครับเออนะมันจลับก็คือลงไปจองไว้แค่ น, นั้นเองเลงก็มันเป็นเองครับผมเรื่องจิตใจ มันเคยชินสิไปฝึกกรรมฐานอีท่าไหนนะ <S 1> <S 1> ตอนเดินเดินยังไงก็เดินก็คื อ, อรู้สึกตัวครับรู้สึกว่าไอ้ ก, กายมันเดินอยู่ลองเดินดูเดินตรงนี้เลยเวลาเดินในะใจหนีไปคิดให้รู้ทันนะเห็นไหมว่าใจมันเดินก่อนกา ย, กนนนะยนั่นเวลามันมีเคล็ดลับนะพอเดินไปสุดเนี่ยอย่าเพิ่งหัน เดินไปสุดทางปุ๊บรู้สึกตัวให้สบายก่อนแล้วค่อยหมุนมาพอหมุนแล้วก็อย่าเพิ่งเดินให้รู้สึกตัวก่อนแล้วค่อยเดินถ้าเดินไปถ้าใจลอยนะก็หยุดแล้วรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินใหม่เดินอย่าให้สั้นเกินไปนะจะเบียนหัวถ้าเดินสั้นๆเนือเบียนหัวไปเดินให้รู้สึกตัวนะอย่าให้เพ่งหมดยังต่อไคำถามครับแล้วก็อย่างตอน เออแล้วรู้ลมหายใจเนียฮะบางทีรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยบางทีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้ลมหายใจออกก่อนแล้วค่อยเข้าบางทีมผมบางทีมไม่ขนัดบางทีรู้เข้าก่อนแล้วออกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแค่มีสติแล้วนั่นส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อบอกหายใจออกก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าหายใจเข้าความเยอะไปเพง่งแน่นแก้ยากออกซะหน่อยหนึ่งมีลมอยู่สองสี่สีก็สองสี่สีนิดเดียวก็ได้ถ้าเริ่มต้นหายใจ จะคล้าย <ś led> ๆฝึกกำลังภายในจะ <ś led> นแน่นใจย่นแน่นแต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทรนั่นแหละก็ได้ไม่เป็นไรตัวสำคัญไม่ใช่ว่าหายใจยังไงตัวสำคัญอยู่ที่ว่ามีสติหรือเปล่าอย่างกีผมหายใจยังมีสติใช่ไหครับเพ่งแน่นงง สังเกตไว้นหายใจนะถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้เอาหายใจสบายๆขณะนี้หายใจเป็นธรรมชาติหรือว่าไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นครับนี่ไงที่ผิดละหายใจเราหายใจมาแต่เด็กอยู่แล้วล่ะหายใจธรรมดานั่นแหละไม่ใช่หายใจในท่าแปลกๆหายใจธรรมดานั่นแหละแต่ว่าเราต่างกับคนธรรมดาตรงที่คนธรรมดาหายใจแล้วก็ทิ้งไปเฉยๆเราหายใจแล้วเรามีสติกเท่านั้นเอง เะันอย่าให้ดัดแปลงการหายใจนะถ้าดัดแปลงการหายใจมันจะเครียดที่มันจะแน่นจะเหนื่อยหายใจตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะพอเริ่มทําอาณาปนสติ5นาทีก็เหนื่อยแทบตายแล้วบางทีหรือเดินเดินช็อปปิ้งทั้งวันนะไม่เหนื่อยนะีเดินจงกรมแป๊บเดียวเหนื่อยเลยแข้งขาจะเคล็ดเมื่อไปเดินผิดท่าเดินผิดธรรมชาติธรรมดาหายใจไปสบายให้คนอื่นฟังจบยังครับ กลับนมาสการค่ะคือก็ปฏิบัติตามในพระอาจารย์ทั้งเรื่องของตามดูจิตแล้วก็เรื่องของแยกธาตุแยกขันธ์แต่ตอนนี้มีปัญหาว่าไม่รู้ว่าตัวเองคิดนำไปหรือเปล่าเวลาที่ตอนขับรถก็ พ, พยายามเหมือนกับดูแยกธาตุแยกขันธ์อย่างที่พระอาจารย์พระอาจารย์สอนนะคะแต่เราจะทราบได้ไงว่าเราคิดไปเองหรือว่าเราได้แยกได้จริงอัดแยกไปก่อนนะนะแคแยกไปก่อนถ้าคิดนำไปเนี่ยใจจะแข็ง ใจจะแข็งแข็งผิดธรรมชาตินะถ้ามันรู้สึกได้เองเราฝึกมาตามลำดับเราฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิแล้วขันมันแยกเงี้ยใจจะสบายใจมันโปร่งโล่งเบานะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวแล้วใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่อจงใจเวลาจงใจมันจะมีสองแบบอันหนึ่งจงใจดึงตัวจิตผู้รู้ออกมาอีกอันหนึ่งจงใจดันอารมณ์ออกไป ตันกายออกไปให้ห่างๆนะมันจะมีสองยามพวกที่จําปลอมอะนะนึกออกอยังรู้สึกตัวเองจะเป็นตัวดึงดึงพยายามดึงน้นเพะอะไรให้รู้ทันอย่างนั้นนะถ้าเรารู้ทันเราไม่ได้ดึงมันขึ้นมาเองถึงจะเป็นตัวจริงแล้วทีนี้ตอนที่อยากทราบไว้ตรงที่เราเป็นจิตตั้งมานี่ไม่ทราบเราผ่านช่วงที่พระอาจารย์บอกให้ต้องเป็นจิตตั้งมั่นก่อนถึงไปแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ทราบว่าตอนนี้มันคลุกกันอยู่าหาไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ เพราะนั่นตามหลักน ะ, ะแล้วจิตตั้งมาแล้วขันมันแยกแต่บางคนเนี่ยจะมาฝึกไงจิตก็ไม่ยอมตั้งก็พยายามแยกไปก่อนก็ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> มีเหมือนกันนะบางคนพยายามแยกขันไปก่อ น, น <c oughs> การฝึกแยกคาดแยกขันเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นโบราณนะรุ่นก่อนๆเนี่ยท่านทําสมาธิมากท่านนั่งสมาธิไปแล้วก็พิจารณาร่างกายไปนะ ร่างกายเนี่ยแตกสลายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวร่างกายเนี่ยไหมไปหมดเลยหรือระเบิดไปหมดเลยเหลือจิตอันเดียวไม่มีร่างกายพอจิตถอยออกจากสมาธิร่างกายปรากฏขึ้นนะใจจะรู้อย่างทราบซึ้งเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเพราะเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้มีร่างกายขึ้นมาเร่างกายกับจิตเนี่ยแยกขาดจากกันเลยนะไม่ได้เจตนาเลยเราเห็นเลยไม่ใช่เราเหรอเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเห็นไหมตัวอะไรสายหน้า ลืมตัวไปคิดมากคิดเดยอะไปคิดมากไปอืมใจรู้สึกเอาอ๋อค่ะทั้งนั้นก็ต้องปรับพว ท, ที่ต้องต้องเอามาเริ่มต้นคือเป็นเป็นกลางก่อนใช่เคยรู้ทันรู้ทันเวลาเขาหนีนะรู้ไปเรื่อยๆอย่าไปจงใจดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเนี่ยจะเกินจริงจะแข็งอ๋อค่ะถ้างั้นข้ามขั้นไปใช่ไหมาจารย์ใช่ใจร้อนเรียก ว, ว่าปัญญาลรำหน้า <laughs> กาบนะราชการป้าอาจารย์ค่ะอ่าก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังทีดีหลวงพ่อมาสามปีค่ะอืตอนนี้สงสัยก็คือเวลาหายใจเข้าออกอะค่ะแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายมันจะรู้สึกเหมือนเจ็บเวลาตามลมอะค่ะทําไมเจ็บล่ะมันเหมือนมันพอมันผ่านไปที่ส่วนใดมันจะรู้สึกส่วนนั้นมันไม่สบายอืเหมือนมันอึดอัด มันมีแต่อย่างนี้นะว่าเวลาเราไม่สบายที่ส่วนไหนเนะเราหายใจลมไปผ่านตรงนั้นเรื่อยๆนะสบายอืมอย่างเรานั่งเราคอเครียดนะเรานั่งหายใจให้ลมผ่านที่ตรงจุดที่เครียดอนะหายใจรนะีแลกซ์นะแล้วก็หายออันนี้มันเป็นเพ่งหรือเป็นอะไรหรือเปล่า เ, ลเป็นเพ่งเป็นเพ่งใช่ไหมคะอะ่เพง่งมันมันซีเรียสไปเพ่งใจมันจะเครียดเครียดไป อย่าซึมซึมแล้วแล้วที่ว่าเวลาที่จิตมันไหลไปคิดแล้วเราก็มีสติขึ้นมาไม่ดึงคืนอ่าแล้วมันก็เหมือนมันเป็นสมาธิขึ้นมาใช่อ่าอันนี้นี่มันเป็นสมาธิอัตโนอัตโนมัติไหมใช่ตรงที่จิตไหลไปมีสติรู้ทันนะสมาธิเกิดเองตรงนั้น น, นั่นจะฝึกบ่อยๆนะฉะนั้นถ้ามันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นโดยที่ไม่ได้รักษา เราทำได้บ่อยๆมันก็จะเป็นสมาธิอัตโนมัติอืสมาธิอัตโนมัติหมายถึงจิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมัน่นตั้งเองอถ้าฝึกเยอะๆใจเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ก็ได้สมาธิแล้วบางครั้งที่เราพอคิดอะไรแล้วมันมีคําว่าเราแล้วมันเอื้อขึ้นมานั่นแนหะรู้สึกไหมมันมีเราจริงๆแสดงว่ามันยังมีเราจริงๆใช่มีศักยัติที่จริงๆอ เรารู้สึกเลยมีเราอย่างแน่นแฟนนแต่มันจะเอ๊ะตัดแบบเราเหรอแบบมันจะคอยอ้าไว้อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ตัดด้วยมรยังไม่ตัดด้วยมร น, น, นี่สติไปรู้ทันถ้าขาดเป็นขณะขณะเดียวก็มาอีกแล้วสงสัยอยู่คำคือคำว่าจิตรวมมั้คะไม่ไม่เคยเข้าใจว่าจิตวรวมจิตของพวกเราส่วนใหญ่รวมเข้ากับกิเลส <c oughs> จิตรวมของสมาธิอะนะคือมันตัดการรับรู้สิ่งอื่นๆออกเหลืออารมณ์กรรมฐานนั่นเดียวแล้วสงบอยู่ในอารมณ์มันนั้นนะบางทีถ้ารวมมากๆร่างกายหายไหมร่างกายก็หายโลกก็หายเหลือแต่ใจดวงเดียวแต่ความรู้สึกตัวอยู่นะะงั้นรวมอย่างนั้นรวมดีแต่ส่วนใหญ่รวมเข้ากับกิเลสอ่ะสงสัยนิดนึงว่าที่ทาทุกวันนี้นี่สมาธิ พอไหมไม่ต้่งหรือต้องทําเพิ่มอีกมันมีโมหะแทรกไหมโมหะมันก็ทําแล้วซึมไหมซึมซึมทั้งนั้นที่ทําอยู่เนี่ยเป็นสมาธิที่ทําแล้วมีโมหะนะต้องทําสมาธิใหม่ต้องทำใหม่คนะือทําสมาธิทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปนะไม่ได้ให้จิตนิง่งไม่ได้รักษาจิตเอาไว้ค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบน้มัสการหลวงพ่อค่ะ ส่งการบ้านครั้งที่สองอติดเพ่งมากตอนนี้รู้สึกว่าจะดีขึ้นมากดีขึ้นถูกต้องแล้วก็คอยตามรู้ตามดูอยู่มไม่ทราบว่าอยู่ในเส้นทางอยู่สินะถ้าดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้ละ่ะนะมันพอจะเริ่มจเจริญนิัสานาแล้วหรือยังคะ่ะยังคิดเดยอะอยู่ยังคิดเดยอะนะยังคิดเยอะเยอะหัดรู้สึกไปได้วยน ะ, ะจนกระทั่งเห็นเลยร่างกายมันทํางานได้เองจิตใจมันทํางานได้เองนะั่นละเดินมิปัสสนาแล้ว อันนี้เป็นการบ้านใช่ไหมคะ <S <S <S ใช่ขอบคุณมากค่ะกับนวมัส ก, การหลวงพ่อครับเอบางช่วงตอนภาวนาบางทีมันเห็นว่าความมีความรู้สึกทุกข์หรือจิตมันเปลี่ยนครัมันรู้สึกมันตามหลังความคิดมา อ, นนอันนี้เห็นเห็นถูกจิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดนะกุศลอกุศลเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันตามหลังผัสสะ มีผัดซามีการกระทบก่อนกระทบอะไรตากระทบรูปหรือใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนที่จะโกรธได้ก็ต้องคิดก่อนจะลบได้ก็ต้องคิดก่อนแล้วบางทีความเอ่อรู้สึกความโกรธขึ้นบางทีเราเห็นว่าโกรธแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนตัวหรือว่าใจมันร้อนมัโดนเผาเงี้ยครก็ถูกแล้วเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บมันมันไม่หายมันไม่มันเป็นวิบากแล้วอันนั้นคือวิบากใช่ไหมมีกิเลสนะเรารู้ไม่ทันนะ จิตก็ทํางานเสพอารมณ์แล้วเสพอารมณ์แล้วต้องมีวิบากต้อรับไปช่วงหนึ่งแล้วที่เห็นตอนแรกนี้มันคือมันคือเห็นมีสติหรือยังครับแต่ว่ายังมีวิบากอยู่มันไม่ทันไม่ทันใช่ไหมมันทํางานไปช่วงหนึ่งแล้วอ๋อครับผมแต่ว่าห้ามมันไม่ได้นะมันทํำก็ทําเถอะทันเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นแรกๆก็ต้องทนเอาหน่อยอยังไงก็ต้องรับวิบากครับของผมมีหลวงพ่อแนะนำต้องปรับปรุงอะไรบ้างครับ ทำในรูปแบบทุกวันไหมช่วงเช้ามีสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์สักห้านาทีแล้วก็เดินอีกประมาณห้าถึงสิบนาทีครับอย่าให้อย่าให้ใจมันซึมนะอย่าให้ใจมันซึมซึมนะทําไปด้วยความรู้สึกตัวในระหว่างวันนี้เ่ผมควรจะระหว่าง <ไป S 1> วันนะปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมครับซึมไหมซึมไปใช่ไห ม, มเรากลัวจะหลงมากไป กลัวจะไม่ดีกลัวไม่ได้ปฏิบัตินะจงใจรักษามากไปครับใจกล้ากล้านิดนึงปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติรู้มันปล่อยเลยครปล่อยครับผมขอบคุณครับปล่อยแต่มีสตินะเอไม่ใช่ปล่อยแล้วสติแตกอย่างไม่ได้นะอย่างคนไม่ภาวนาเราต่างกับคนไม่ภาวนา น, นิดหนึ่งจิตใจเราต้องภาวนานะจิตใจเราต้องเหมือนเด็กๆจิตใจเด็กๆไม่มีมัญยา เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแฝงขึ้นแฝงลงไปตามธรรมชาติเลยไม่มีมัรยาปล่อยให้จิตมันทํางานอย่างนั้นแต่เราต่างกับเด็กตรงเด็กมันไม่รู้เรารู้บางทีมันกลัวครับใจเวลาปล่อยแล้วมันแบบกลัวมันแฝงมากเลยครับแล้วมันร้ายมากด้วยเพราะว่าเพราะมันบังคับไว้นานนะครับผมต้องถือศีลห้าไว้ก่อนถึงมันร้ายแค่ไหนนีทางใจไม่เป็นไรนะ ในทางกายทางวัจจาร์ไม่ให้ผิดศีลหา้าต้องกลา้าครับผมครูบาอาจารย์เคสอนจะจั บ, บแต่แกล้งปล่อยถ้าจับไว้ตลอดไม่เดินปัญญา จ, จริงนะครับขอบคุณครับหมดแล้วเนาะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวามวอยโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปันรโสยัถะมณีโชติรโสยทาถสัพพีิโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทธ า, ยายนะปจญโน จตาโรโหธรรมาวัฒนเตียอายุวันโนสุ ข, ขังพะลังกันเทศหลวงพ่อนะขอให้โรงบาล น, นะยังกำลังสร้างศูนย์อะไรปลูกถ่ายอวัยวะอะไรอะ่ะใช่ไหมนะขอมอบให้โรงพยาบาลไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปต่ออีกโรงบาลโรงบาลสงฆ์ไปทำบุญกับเขาหน่อย ให้พวกเราตั้งอกตั้งใจภาวนานะให้สมกับเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นรูปมีพ่อมีแม่นะภาวนาเขาหาพ่อแม่ที่ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าเราหาไม่ได้หรอกโอกาสที่จะได้เจอธรรมะของพระเจ้านี่ยากมากนะในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยพวกเรามีบุญมีวาสนาได้ฟังธรรมะแล้วนะลงมือปฏิบัติให้สมควรจะทํานะ อย่างน้อยชาตินี้ให้จะเป็นโซดาทุกคนเลยนะเออฉลาดบางคนจะได้เหรอไม่ได้หรอกตายละ